ที่สู่ผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเล่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปหวังได้ทุกคติธรรมะสองประการเป็นฉไหนคือความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่ง ดูการพิสูุนทั้งหลายพิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังได้ทุกขติโคนะครับตกนรคแง่ๆเลยนะถ้าไม่มีคุณธรรมสองอย่างเนี่ยนะคือไม่มีอินทรสังวรกับไม่รู้จักประมาณในโพชนะจาก2 ส, สูตรนี้นะครับให้เห็น ถ้าสำนวนของอวิชาสูตรตัญหาสูตรก็สงเคราะห์กันได้ก็คือตรงอินรีที่เป็นปัจจัยแก่สุจริษฐ์ามนะครับออขออนุญาตครับถ้าหากว่าเรารักษาศีลเลยได้เนี่ยเอ๊ะการไม่รู้จักประมาณในโภชนะมันจะทำให้ตกนรกได้ยังไงเนี่ยงงคือไม่รู้จักประมาณในโภชนะก็คือความทุศีลเป็นต้นนั่นเองนะครับ รู้คำว่ารู้จักประมาณในโพชนะซึ่งจะอธิบายต่อไปนั้นหมายถึงประมาณในการรับเป็นต้นแล้วก็ประมาณในการบริโภคเป็นต้นนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอีกแต่ก็ลักษณะของสุจริตนั่นเองนะครับครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุจริต3นะครับรู้จักประมาณในโพชนะก็คือสุจริต3านั่นเองถ้าหากว่าใช้คำว่าโพชนานี่นะครับปัจจัย4นี่เท่ากับกล่าวหมดแล้วนะครับ โภชนะนี้ในฐานะเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นจีวรก็เท่ากับพูดแล้วเสนาสนะก็พูดแล้วยาก็พูดแล้วโดยที่ยกโภชนะเป็นประธานนะครับตามอัตตกถาของทีขนิกายนะครับที่บอกว่าสมณะพราหมณ์บางพวกบริโภคโภชชนะนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วตรงนั้นเนี่ยหมายถึงบริโภคปัจจัย4นะครับเพราะฉะนั้นที่ไหนใช้คําว่าโภชนะก็คือในลักษณะเป็นนัยะอีกนัยะหนึ่ง ซึ่งหมายถึงปัจจัย4ี่นะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่ายกปัจจัยอันใดอันหนึ่งมาปัจจัย4ี่ที่เหลือก็เท่ากับกล่าวแล้วแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วนะครับในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้จักประมาณในโภชนะและไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายเทกซุเหล่านั้นเนี่ยนะครับย่อมถึงความทุกข์ คือทุกกายและก็ทุกใจภิกษุเช่นนั้นมีกายถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาอยู่มีใจคือความทุกข์แผดเผาอยู่ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแสดงว่ามีความสำคัญมากนะครับอินทรีสังวรกับโพเชเนมตันยุตานี่นะครับส อ, สองอย่างนี้สำคัญมากจริงๆ ถ้าหากว่าพูดแต่อินทรีย์สังวรกับโภชเนมตันยุตานะครับจารณาสิบห้าเท่ากับแสดงแล้วนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มของจารณะใช่ไหมครับเราธรรมะในกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะครับ<ม>เพียงแต่ว่ายกว่าในธรรมะเหล่านั้นอะไรเด่นชัดอนะนะ<ม>อะไรเด่นชัดเนี่ยถ้าหากว่าอินทรี์สังวรได้โภชเนมตันยุตาได้ศี C ลสังวรก็ต้องได้นะครับคุณธรรมด้านอื่นๆก็ต้องได้นะฮะซึ่งท่าน อัตถาท่านอธิบายดีมากนะครับบทว่าทุกขังวิหารติได้แก่อยู่เป็นทุกในอิริยาบถแม้4ี่ด้วยทุกเพราะกิเลสและด้วยทุกทางกายและก็ทางใจเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ขาดการคุ้มครองทวารในอินทรีนี่นะครับกลับไม่รู้จักประมาณในโพชนะนะอิริยาบถ ท, ทั้ง4ี่ของเขาเนี่ยนะครับจะถูกกิเลสครอบงำ แม้กระทั่งความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจเนี่ยนะครับแล้วก็สวิขาตังได้แก่มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอันเข้าไปทำทำร้ายทางใจและทางกายนะครับคือร่างกายก็เร่าร้อนใจก็เร่าร้อนกิเลสก็มาครอบงมย่ํายีอีกนะครับหลายบท ว, ว่าสุปายาสังได้แก่มีความขับแค้นด้วยความขับแค้นเพราะกิเลส ด, ด้วยความเดือดร้อนทางร่างกายและด้วยความลําบากเหลือกําลังนะครับ บทว่าสะปะริลาหังได้แก่มีความเร่าร้อนด้วยความเผาของกิเลสด้วยความเร่าร้อนเพราะกิเลสและด้วยความเร่าร้อนทางกายบทว่ากายสะเพทาได้แก่ทิ้งขันอันมีวิญญาณคือหมายถึงตายนั่นแหละปรัมปรมรมนาได้แก่การยึดขันอันเกิดแล้วในระหว่างนั้นคือตายจากขันอันนี้ทิ้งขันอันนี้ก็ยึดเอาขันอันใหม่นะครับ อีกอย่างหนึ่งบทว่ากายสะเพทาได้แก่เพราะขาดชีวิตดินซีนะครับชีวิตตินซีชีวิตรูปชีวิตนามแตกดับไปบทว่าปรรมมรณาได้แก่หลังจากจุติบทว่าทุกคติตาติกังขาเพึงปรารถนาคติอย่างใดอย่างหนึ่งของอบายสอันได้แก่ทุกคตินะครับคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเนี่ยหวังได้แน่นอนนะครับถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับหรือเป็นคนที่ปล่อยจิต ไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีย์แล้วก็ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะครับนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรชานจากฟังสูตรนี้ขอให้รู้เท่าว่าเวลาเราเห็นสัตว์เดรชาณ น, นะเจริญนึกถึงธรรมะอันนี้ได้เลยเห็นเดรชานที่ไหนเห็นเปรตอสุรกายเป็นต้นเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเออเนื่องจากอดีตชาติเขาไม่คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะสัตว์เหล่านี้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะเห็นหวัวเห็นควายเห็นเนี่ยนะครับจีกุงนะ จีกุงใช่ไหมนั่นแหละแต่ยินเสียงที่ร้องอยู่เนี่ยนะครับเห็นสัตว์ในอับายเห็นหมดเห็นปลวกเห็นวัวเห็นควายเห็นหมูไก่ทั้งหลายแหล่นี่ก็นึกได้โอเจ้าอดีตชาติเนี่ยนะเจ้าไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะเจ้าไม่มีโพชเนมัตันยุตานั่นแหละทำให้เจ้ามาเกิดเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกันนั่นแหละทับทิ้งคุณธรรมอันนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนะตรงนี้สงวนเลยคือเฉพาะพระภิกษุเทาครับคืออาการที่ไม่สํารวมในอินทรีย์ เพราะว่าเนี่ยจตุปาริสุทธิศี น, น, นี่อินเสียสังวรเออแล้วก็อะไรอ่ะปัตโมกศีนแล้วก็อาชีวะประิสุทธิศีนแล้วก็ปัจเจศนิสิตาสี น, นี่ท่านสดแสดงไวเฉพาะพระภิกษุนี่ถ้ า, ถ, าถ้าเป็นโยมคงจะไม่หนักหนาเหมือนเราหรือยังไงครับไม่ใช่ว่าโยมไม่ตกนรกนะครับ ค, <ต>คือคือคือไออาการที่ล่วงตรงเนี้ยคือไม่สำรวมอินทรีย์และไม่รู้จักประมาณในโภชนาเนี่ยครับ ครับถ้าเป็นโยมเขาอ่ะเหมือนเราไหมครับเป็นโยมเขาก็ไม่แต่ทำในทำในระดับเดียวกันนะเหมือนกันคล้ายกันทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยนะถ้าอากุศลจิตเกิดเหมือนกันใช่ไหมครับอกุศลจิตเกิดเหมือนกันบาปเหมือนกันก็ต้องดูเอาก่อนตายเป็นประมาณนะครับนะว่าไอ้ก่อนจะตายนี่จิตเขาเศร้ามองไหมล่ะแต่ถ้าโดยลำพังอกุศล น, นะครับอกุศลเกิดที่ไหนมันเป็นปัจจัยสู่อบายทั้งนั้นนะครับอกุศล น, นีไม่ว่าจะเกิดกับพระภิกษุหรือว่าเกิดกับคารวะก็ตาม ก็บาปเหมือนๆกันนะครับสมมติว่าพระกโกรธพระก็บาปพระไม่มีปัจเจกขณะบริโภคอาหารด้วยกิเลสตัณหานี่นะครับหรือคารวะบริโภคก็ก็บาปพอๆกันหมดนั่นแหละครับขณะนั้นนะแต่ที่นี้ว่าจุติแล้วจะไปดีหรือชั่วก็อยู่ที่ก่อนจะตายนั่นเองนะครับแต่ที่แยกแยะให้เห็นระหว่างพระพิสุกกับคารวะเนี่ยนะครับคือหมายถึงพระพิสุกนั้นท่านสา ม, มารถประพฤติสมณะธรรมได้ ไม่กว้างขวางกว่านะครับเมื่อเทียบโดยเพศอ่นะนะเพราะว่าพระพิสูจนนั้นไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วยเรือนนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อเรือนคาราวะก็ทําเพื่อเพื่อบ้านเพื่อเพื่อเรือนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะทั้งสองประการเนี่ยนะก็พอๆกันนะครับก็บาปเหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับ บทว่าอาคุตตทวารโรได้แก่การไม่สํารวมทวารหรือไม่สํารวมอินทรีย์นั่นเองนะครับอาจารย์กล่าวถึงความไม่สํารวมอินทรีย์อันมีใจเป็นที่6ด้วยบทนั้นชื่อว่าไม่รู้ประมาณในโภชนะคือไม่รู้ประมาณในโภชนะด้วยการรับและการบริโภคนะครับไม่รู้จากประมาณ2อย่างนะในโภชนะเนี่ยคือการรับและการบริโภคนั่นเอง เกจิอาจารย์กล่าวว่าเพราะความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเพราะความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะครับถามว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรหรือความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าคุ้มครองอย่างไรไม่ชื่อว่าคุ้มครองนะนะเอาความไม่คุ้มครองก่อนตอบว่า ตอบว่าเพราะไม่มีความสำรวมหรือความไม่สำรวมในจกักขุนสี่โดยแท้นะครับด้วยว่าสติก็ดีความไร้สติก็ดีหาได้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุภาษาทะไม่คือหมายคำ ว, ว่าคำว่าสังวร น, นี้องค์ทำได้แก่หนึ่งสีลสังวรสอ 2. สติสังวรสญาณสังวรสี่วิริยะสัง 4. วรงแล้วก็ขันติสังวรเนอี่ยนะ สังวรทั้ง5ไม่ได้เกิดในจกักรคูภาษาทะไม่ได้เกิดในจกักขุนรีนะเพราะว่าอะไรครับจกักขุนรีนี้จิตไหนเกิดจิตไหนอาศัยจกักขุนศีเกิดจักรคูวิญญาณในจิตในขณะที่จักรคูวิญญาณในจิตเกิดขึ้นมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับตัวจักรคูวิญญาณเนี่ยนะครับไม่ชื่อว่าสังวรหรืออสังวรขณะที่จักรคูวิญญาณเกิดนะแค่ขณะนั้นหรือสัมปติชนะสันติชนะก็เหมือนกัน หรือปัญจทาาวาราวัชนะอันนั้นก็ไม่ชื่อว่าสังวรหรืออสังวรในขณะนั้นนะครับแต่ในทีนี้มุ่งเอาชาวนะเป็นประมาณแล้วก็อธิบายวิถีจิตให้เห็นว่าอันที่จริงขณะใดารูปอารมณ์มาสู่คลองจักษุนะครับในขณะนั้นเมื่อพวังขจิตเกิดขึ้นสองครั้งแล้วก็ดับไปนะครับคือหมายความว่าพวังขจรณนะวังคู่ประเฉทะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกิริยาจิตนะครับกิริยาคือ มโนธาตทําทอาวัชนกิจให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมายถึงปัญจทวาราวชนะถ้าเรียกเฉพาะทวารก็เรียกจักขุทวาราวชนะก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นจักขุวิญญาณในจิตเนี่ยนะครับทำทัศนกิจคือกิจเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นวิบากมโนธาตทําหน้าที่รับอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นวิบากมโ น, นม ว, นนวโนิญญาณธาต ทำหน้าที่พิจารณาหรือเรียกว่าสันติรณกิจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจากนั้นกิริยานะกิริยาอาเหตุกะมโนวิญญาณธาตุนะครับเรียกว่าทํากิจวัตนานะยังวัตนาจิจคือกิจกําหนดอารมณ์ให้สําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปในระหว่างจากนั้นชาวนาจิตก็ย่อมแล่นไปนะครับถ้าจําได้นะถ้าถ้าจำภาพจากครูทวารวิถีขึ้นได้เนี่ย จะขึ้นภวังขจิตสอ ง, สอ ง, สอ ง, สองหรือสมดวงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจกักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวทัพณนะแล้วก็ชาวนะเกิดซ้ำๆกันโดยทั่วๆไปก็ประมาณเจดวงอ๋นน อ, โโอชาวนะหมายแท่เฉพาะชาวนะในจกักขุทวารกิริยาอาเหตุกะมโนธาตใช่หครับ <S <S 1> <S 1> ก็มโน มโนทวาราวชนะหรือโวทัฏพนะอันนั้นนะวัฏพนะอันนั้นเนะ่ยเรียกว่ากิริยามโนวิญญาณธาตุเอางี้นะจิตเนี่ยโดยชื่อมีอยู่เจชื่อนะครับ mm hmm. จิตเนี่ยมีเจดชื่อหนึ่งจักขูวิญญาณสองโสตะวิญญาณ3าานาวิญญาณ4 mm hmm. ชิวหาวิญญาณ5กายาวิญญาณหกหกมโนธาตุเ hmm. จมโนวิญญาณธ mm hmm. าตุ mm hmm. 7, นะครับมีเจดชื่อด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านในนี้ท่านจะเรียกตามชื่ อ, อ น, นี้นะครับตามชื่ อ, อ, อตามชื่อเจ็ดชื่อเหล่านี้นะครับสํานวนอัตถกาถานะเช่นแม้กระทั่งเห็นไหมครับวิบากมโนธาตุนะบางทีก็กิริยามโนธาตุนะข้างบนเนี่ยกิริยามโนธาตุวิบากมโนาธนะาตุอันกิกริยามโนทนะวานาธาตุาได้แก่ปัญจทวาราวัชนะวิบากมโนาธาตุได้แก่ สัมปติชชนะนะครับส่วนมโนวิญญาณธาตุนั้นก็ได้แก่สันติระนจิตนั่นเองนะครับถ้าหากว่านึกภาพวิถีออกก็ง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้ในวิถีนั้นนะครับความสัมรวมก็ดีความไม่สัมรวมก็ดีย่อมมีในสมัยแห่งภวังก็หาไม่ได้สังวรหรืออสังวรเนี่ยนะครับสังวรห้าหรืออสังวรหไม่ได้เกิดในภวังขจิต หรือว่าไม่ได้เกิดในสมัยแห่งอาวัชนะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะครับคือหมายคราบว่าสังวรห้ามไม่ได้เกิดที่ปัญจทวาราวัชณะจิตไม่ได้เกิดที่จักขูวิญญาณไม่ได้เกิดที่สัมปติชนะไม่ได้เกิดที่สันติรณะหรือไม่ได้เกิดที่วุฒภณะอะไรเลยนะครับแต่ก็ในขณะแห่งชาวนาจิตหากว่าความเป็นผู้ทุศีนก็ดีความไร้สติก็ดีความไม่รู้ก็ดีความไม่อดทนก็ดี ความเกียรตคร้านก็ดีย่อมเกิดขึ้นนะครับนะครับคือในขณะชาวนะเท่านั้นนะครับถือถ้าไม่สํารวมนะไม่มีความสังวนก็จะเกิดขึ้นในขณะชาวนะภิกสูนั้นแม้อยู่อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่สํารวมในจักขุทวา a เรียกรวมๆนะแต่เน้นไปที่ชาวนะในขณะเห็นเพราัน้าเห็นแล้วโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สํารวมตานะนะ เมื стати, tray, ่อหูได้ยินโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สัมรวมหูจมูกได้กลิ่นถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สัมรวมจมูกลิ้นรับรู้รสถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สัมรวมลิ้นกายรับกระทบโธทภาก็ชื่อว่าไม่สัมรวมกายนะถ้าโลภะเกิดนะถ้านึกคิดเรื่องทั่วไปถ้าโลภะเกิดก็ชื่อว่าไม่สัมรวมใจถามว่าทําไมจึงเป็นโลภะเมื่อตามองเห็นเป็นต้น เพราะถืออารมณ์นั้นโดยสุภานิมิตนะครับหมายคือว่าถืออารมณ์นั้นงามเช่นสสีเนี่ยงามนะครับสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนั้นเออดูดีนะดูดีอ่ะลักษณะนั้นนะครับเรียกว่าสุภานิมิตเสียงเออก็ไม่ขัดหูอะไรนั่ น, นะครับก็ชื่อว่าสุภานิมิตหรือว่ากลิ่นดีๆเนี่ยนะครับที่ปรารถนาเนี่ยนะหรือรสที่ปรารถนาพอทานได้ลักษณะนั้นนะครับหรือ โทธทพระเช่นใหม่หนาวเกินไปใหม่ร้อนเกินไปเรื่องราวที่เอามาคิดก็เป็นเรื่องที่ชอบชอบนะลักษณะนั้นให้รู้เธอว่าจิตนั้นเป็นไปกับโลภนะคราวนี้อย่างผมนั่งฟังเสียงอาจารย์สมบัติอยู่เนี่ยผมก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดนะว่าเสียงอาจารย์สมบัติเนี่ยเพราะหรือไม่เพราะานะแต่เราว่าเออกลาลังกล่าวธรรมะอยู่ผมก็ยินดีฟังเออชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้จัดเป็นอะไรยังไงอ่ะออถ้าอย่างนี้ก็เป็น ในธรรมมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ไปใส่ใจว่าเออเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงอะไรไม่ได้ปรารถในลักษณะนั้นน ะ, นะนะถ้าหากว่าลักษณะของของเสียงที่ฟังเพลงเนี่ยจะเห็นชัดนะครับที่โลภะเกิดนะนะเช่นได้ยินเสียงเพลงเนี่ยนะ เพราะมันจะถือโดยนิมิตอนุพยันชนะเสียงโน่นเสียงกลองเสียงฉิ่งเสียงอะไรเป็นต้นนะเสียงคนร้องแหมมันกลมกลืนมันเข้ากันไปหมดเลยนะเฟังเนื้อหาฟังติดตามแต่เสียงนั้นน่ะครับลักษณะนั้นคือลักษณะของโลภะหรือฟังเสียงดนตรีทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมเราชอบโลเราชอบธรรมะไม่ไม่เป็นโลภะทําไมเราฟังเพลงจึงเป็นโลภะ อ, อถามว่าจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปกับคําสอนเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษนะครับ ไม่มีโทษไอความว่าไม่มีโทษอันนั้นแหละนะครับถามว่ายุติติดไหมก็ไม่ได้ยึดอะไรแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ยินดีในธรรมเนี่ยนะครับผู้นั้นก็ไม่เสื่อมจากธรรมคือหมายความว่าเพราะอันนี้เป็นประตูเพื่อความเจริญงูเกามแห่งกุศลธรรมด้านอื่นๆแต่ว่าฟังเสียงดนตรีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าจุติเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดีถ้าเพลิดเพลินในการฟังธรรมอยู่เนี่ยนะครับถ้าจุติเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดี นะครับเพราะฉะนั้นคติก็มีความแตกต่างกันเนี่ยนะแล้วสภาพของจิตเนี่ยนะครเช่นถ้าฟังทำจบเราเดือดร้อนใจไหมถ้าฟังเพลงจบเดือดร้อนใจไหมโดยมากจะเดือดร้อนใจนะครับสังเกตดูเพราะมันไม่ได้อะไรเลยถ้าเป็นพระภิกษุฟังเพลงด้วยนะครับพอฟังจบปั๊บเนี่ยเดือดร้อนใจทัน ท, ทีเลยอนนะตอนที่ติดตามเสียงเพลงอยู่อาจจะเพลินนะครับแต่พอนึกถึงศีลนึกถึงอะไรเป็นต้นปุ๊บเนี่ยนะครับเดือดร้อนมาทันทีเลย เพราะฉะนั้นไอจิตที่เป็นไปกับการฟังเพลงถ้าเป็นกุศลเนี่ยจะไม่ไม่เดือดร้อนแน่นอนแต่นี้แสดงว่าโดยมากเป็นไปกับอกุศลจริงเดือดร้อนอย่างน้อยที่สุดก็ฝืนพระวินัยบัญญัตินั่นเองไม่แน่นะครับบางทีเราฟังทำแล้วเดือดร้อนก็มีนะเพราะว่าบางเอิญไปสะกิดแผลเกล่าเราอะไรเงี้ยนี้ก็ช <ST. S 2> ่วยไม่ได้นะครับคนมีแผลแล้วนะก็ <S <S เอาบุญกเกลียว่าโถุศีลไปเทียบดูกันแล้วกันนะครับ อะไรเป็นสุภาพนิมิตจิตขณะไหนเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ mm hmm. ใครควรเอากันแล้วกันนะครับนิสสัมมะกัลนังไสยโยนะครับครักบก็ค่อยๆแยกต่อไปกันแล้วกันนะครับในนิมิตเนี่ยนะครับแต่ละอารมณ์เนี่ยก็พยายามจับนิมิตนะครับถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เป็นสุภาพนิมิตอารมณ์นั้นไม่น่าปรารถนาเรียกว่าปฏิฆานิมิตอารมณ์นั้นก็เฉยๆทั่วๆไปก็เป็น อุเบกขานิมิตนะครับนั้นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้ น, น, นก็มันวิเคราะห์นะครับเพราะว่าถ้าอารมณ์นั้นถ้าไม่วิเคราะห์นะครับถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะเมื่อชวนะเป็นโลภะแล้วทําจิตตะชูปเดินยืนเป็นต้นก็เรียกว่ากายทุจริตนะครับคือเป็นอาคุสน่ะ น, นะแต่ไม่ยังไม่อาจจะล่วงกรรมบทถ้าหากว่าครบองค์ถ้าไม่ครบองค์ในอกุศลกรรมบทอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอาคุศล เพราะฉะนั้นทูจริญทั้งหลายอากุศนทั้งหลายก็จะอาศัยอารมณ์นั้นๆแบบเกิดขึ้นนะครับอัน้นบาป ท, ทั้งหลายก็จะไหลามาจากการเห็นการได้ยินการรู้เกลียนการรับกระทบโพธะและก็การนึกคิดอารมณ์ทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับเออขอาการาดครับมาถามหน่อยถ้าอย่างนั้นนี่เราก็คุกคีอยู่กับโลภะทั้งวันเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านแสงแดดแล้วก็โอ้มันร้อนแล้วก็เข้าลม แเราโลภะพาไปแล้วขณะที่ทานอาหารโอ้มันเผ็ดมันเผ็ดก็ตักทิ้งก็เอาเอาท้องที่มันไม่เผ็ดหรือว่าท้งที่ห่มจีวรพอพเนื้อมันบางพอหน้าหนาวมาถึงเราก็เปลี่ยนผ้าซะในนี้ก็ถือว่าเราก็ไปกับเป็นไปกับโลภะอยู่ตลอดถ้าปารบศีนก็เป็นไปกับศีนถ้าไม่ปรบก็เป็นไปกับโลภะซะส่วนใหญ่นะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นเครื่องชาบทานโลกอยู่แล้วนะครับ เออพวกนี้นี้นําเกิดในบาปได้ไหมถ้าถ้าไม่ครบองค์กรรมบทไม่พานําเกิดแต่ว่าถ้าจิตเศร้ามองแบบนี้เกิดก่อนตายก็ทุกขติก็หวังได้กรรมที่ล่วงกรรมบทก็จะเป็นตัวให้ผลนําเกิดนะครับก็ไอย้ยางที่ว่านี่นะครับถ้าจะคิดก็คิดก่อนให้พอนะครับเพราะว่าใกล้ตายก็จะไปได้คิดเป็นกุศลเยอะๆเอาไว้นะครับเพราะว่าไอ้ความเคยชินเหล่านี้ไปเกิดก่อนตายนี่นะครับเนี่ยไปร้องเสียงระ ง, งมแบบที่กําลังได้ยินนี่แหละครับ เอออย่างอย่างสมมุติว่าโลภะหรือโทสะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งไม่ใช่อกุศลกรรมบทเนี่ยสามารถเป็นประชักนำอาอกุศลกรรมบทุที่เราทำในอดีตเนี่ยมาให้ผลได้เป็นอุปนิสัยเปิดประตูให้อากุศลอื่นๆให้ผลนําเกิดนะครับที่เราทําไว้ในอดีตครับผม อ, อย่าว่าอาดีตชาตินี้อย่างเดียวนะอดี ต, ตชาติแม้แต่แสนโกดกับแล้วก็มาให้ผลนําเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นความทุศีนเนี่ยก็เกิดที่ชาวนะนะครับ ความหลงลืมสติก็เกิดที่ชาวนะความไม่รู้คืออาัจานะก็เกิดที่ชาวนะนะครับอคคันติเนี่ยนะความไม่อดทนก็เกิดที่ชาวนะความเกียดคร้านก็เกิดที่ชาวนะแต่ที่นี้ในชาวนะเหล่า น, น, นั้นเนี่ยนะครับชาวนะอาศัยทวารใดเกิดก็เสียชื่อไปถึงทวาร น, นั้นหมดนะครับเช่นว่าชาวนะในจักรคูทวารเป็นอกุศลตาทั้งๆ้งที่เป็นอัพยากตะก็เรียกว่าไม่คุ้มครองนะครับ ถ้าหากว่าจิตที่เป็นอกุศลในชวนะในโสตะทะวาลเกิดก็เรียกไอโสตะซึ่งหูซึ่งเป็นอัพยากตะนั้นว่าไม่คุ้มครองไม่สำรวมหูนะครับแต่ก็โดยอัฏฐะโดยความหมายจริงๆแล้วหมายถึงไม่สำรวมชวนะจิตนะครับที่เกิดขึ้นต่อจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแต่ข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับว่าความทุศีนเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดในชวนะในปัญจทวานวิถีนะครับ ความทุศีนเนี่ยนะจะเกิดเฉพาะในชวนะในมโนทวารวิถีอย่างเดียวนะครับความทุศีนเนี่ยนะเพราะว่าชวนะทางปัญจทวารวิถีไม่ทําวินยัตินะครับไม่ทํากายวินยัติไม่ทําวจีวินยัติไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาอะไรแต่ว่าไอชวนะทางมโนทวารวิถีเนี่ยนะครับจะได้อสังวรทั้งห้าอย่างเลยนะครับ ถ้าหากว่าปัญจทวารวิถีนะจะได้อสังวรคือ1นึ่งหลลืมสติ2องอายณนะคือไม่รู้ไม่อดทนและเกียจคร้านอันนี้ได้ในทวารห้านะครับคือจกักขุทวารโสตทวารค า, านทวารชิวหาทวารและกายทวารส่วนมโนทวานเนี่ยนะครับจะได้อสังวร5อย่างคือทุศีลเนี่ยนะครับก็เกิดในมโนทวาน หลงลืมสติไม่รู้ไม่อดทนเกียจคร้านพวกนี้ก็เกิดในมโนทวารเพราะฉะนั้น ม, มโนทวารเนี่ยนะครับได้อสังวร5ตปัญจทวารได้อสังวรสนะครับเว้นทุศีลนะครับเพราะศีนเนี่ย เ, เกิดขึ้นทางมโนทวานนะครับผมสงสัยคาว่าทุศีนี่มานานแล้วว่ามันกินความหมายแนกว้างแคบขนาดไหน ในอคติขันโตประมาะสูตรนะครับมันหมายถึงภาระชีกใช่ไหมครับครับผมแต่ณที่นี้เนี่ยหมายถึงขนาดไหนเนี่ยทุศีลคํานี้เนี่ยก็ละเมิดศีลตามสมทุกสิกขาบทก็ชื่อว่าทุศี น, นในเจ็ดกองเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยก็ชื่อว่าทุศีนนะครับทั้ ง, ท, งทุกสิกขาบทเลยนะและแล้วแต่เขาจะหมายถึงเอาในที่ไหนหมายถึงอะไรยังไงก็ต้องศึกษาอทีเนาะครับจะตามเฉพาะแห่งไป ถ้าลักษณะของอักขีขันธูปมาสูตรเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสถึงประเภทที่ว่ากินก้อนเหล็กแดงเป็นต้นดีกว่านั่นก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วแต่อย่งงเนี่ยก็อาธิษฐานหรือสมาทานได้นะครับถ้าหากว่าไร้สติหรือว่าไม่มีวิริยะไม่มีเป็นต้นอะไรเนี่ยบริสุทธ์ด้วยการอาธิษฐานนะครับยินสีสังวรเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นทูศีล ท, ทั่วไปก็ปลงอบัตใช่ไ อาบัตบางอย่างก็ปลงเอาอาบัตบางอย่างก็อยู่ปริวาสอาบัตบางอย่างก็ศึกษาไปเป็นเนเนเนี่ยนะไปเป็นเนเนหรือศึกเป็นคาระวาะซะก็มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของศีล น, นั้นๆ น, น, น, นะครับซึ่งพระองค์ได้ทรงแนะแนววิธีไว้ให้นะครับถ้าอยากประพฤติบริสุทธิ์ควรทําอย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้ท่านกล่าวว่านะครับว่าขณะชาวนะเนี่ยนะครับทูศีลมันก็เกิดในชาวนะ หลงลืมสติก็เกิดในชาวนะความไม่รู้ความโง่เขลาก็เกิดในชาวนะไม่อดทนก็เกิดในชาวนะความเกียดคร้านก็เกิดในชาวนะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะความสํารวมทั้งทั้งสังวรห้ที่ว่าเนี่ยนะพิสุนั้นแม้อยู่อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่สํารวมในจักขุทวารเป็นต้นนั้นเองนะครับถามว่าเพร่อฮิไรจึงเรียกแบบนั้นแต่ริงน่าจะบอกไม่สํารวมชาวนะในจักขุทวานนะ ทำไมไปเรียกจากขูทวารล่ะตอบว่าเพราะเมื่อไม่มีความสำรวมนั้นคือชาวนะไม่สำรวมนะแม้ทวารก็ไม่เป็นอันคุ้มครองแม้ภวังก็ไม่เป็นอันคุ้มครองคําว่าทวาร น, นี่เป็นชื่อของจักรครนะจักรครูก็ไม่คุ้มครองผวังก็ไม่คุ้มครองวิถีจิตมีอาวชนะเป็นต้นก็ไม่เป็นอันคุ้มครองคือหมายถึงสัมปติชนะสันติรณะโวทพัพธนะก็เป็นอันไม่คุ้มครองถามว่าเหมือนอย่างไรตอบว่า เหมือนเมื่อประตูสี่ประตูในเมืองไม่ปิดประตูเรือนซุ้มประตูและห้องเป็นต้นภายในปิดอย่างดีแล้วก็จริงแม้กระ น, นั้นสิ่งของทั้งหมดในภายในเมืองก็เป็นอันชื่อว่าไม่รักษาไม่คุ้มครองเลยโจรทั้งหลายเข้าไปในมือทางประตูเมืองปราถนาสิ่งใดก็พึงนำสิ่งนั้นไปฉันใด เมื่อความเป็นผู้ทุศีนเป็นต้นเกิดขึ้นในชวนะจิตเมื่อไม่มีการสํารวมน่ น, นะครับชาวนะไม่สํารวมแม้ถวารก็เป็นอันไม่คุ้มครองแม้ภวังก็ไม่เป็นอันคุ้มครองแม้วิถีจิตมียวัชนะเป็นต้นก็ไม่เป็นอันคุ้มครองเพราะฉะนั้นชาวนะเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการเห็นเป็นต้นเนี่ยอุปมาเหมือนประตูเมืองนะครับ เหมือนประตูเมืองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชาวนะไม่สำรวมซะจิตชาติวิบากชาติกิริยาเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่สำรวมไปด้วยนะครับเหนะ็นไนหมเหมือนประตูประตูนอ ก, ป ร, นอกประตูใหญ่ประตูใหญ่ครับรชาวนะเหมือนประตูใหญนะ่เหมือนประตูใหญ่นะครั บ, บครับแต่ว่าโดยวิธีจิตทําให้คิดแบบนั้นนะครับ<อ>แต่ว่าอันที่จริงแล้วชาวนะเป็นเกณฑ์นะครับ<ม>ถ้าชาวนะเป็นกุศล ที่เหลือก็ชื่อว่าสำรวมถ้าชาวนะเป็นอกุศลที่เหลือก็ชื่อว่าไม่ไม่สำรวมวาเอาชาวนะเป็นเกณฑ์นะครับ ค, ครับผมเพราะว่าบุญบาปมันเกิดที่ชาวนะไม่ได้เกิดที่จิตทั้งหลายอื่นๆนั้นเพราะจิตอื่นๆก็เป็นชาติพิบากกับชาติกิริยาเท่านั้นเองนะครับเป็นอพยกตะธรรมแต่กุศลและอกุศลเกิดที่ชาวนะนะครับ คับประตูเมืองนั้นสําคัญกว่านะครับถ้าทหารเป็นต้นไม่ได้ปกปิดประตูเมืองอะไรเลยโจรอยากจะไปปล้นบ้านไหนก็ปล้นได้นะครับเรียกเอาตามใจชอบเลยนะครับแต่ถ้าประตูเมืองนี้ล็อกไว้อย่างดีเนี่ยนะครับพวกโจรทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงคนในลักขโมยเองก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับตรวจสอบไม่ยากใช่ไหมถ้าคนนอกไม่เข้ามามาปล้นมาขโมยเนี่ยนะนนั้นก็ชันอย่างนั้นแหละครับแม้เมื่ออาสังวร น, นั้นไม่มี นะครับ